บทเปิดเกณฑ์บวชไม่มีกําหนบเปิดเกณฑ์บวชเพื่อความพ้นทุก์โดยถ่ายเดียวก็มีความมุ่งหวังความรู้สึกในทางด้านจิตใจนั้นต่างกันในนักบวชแต่ละรายละลายธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องสนองความต้องการหรือความมุ่งหมายของผู้ปฏิบัตินั้น มีต้อนรับอยู่ทุกขั้นทุกตอนมีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบลาบอันประเสริฐอันหนึ่งในพระบาลีท่านว่ากิจโฉมนุษย์สัติลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐและเป็นเกิดได้ยากด้วย กิดโฉนั่นคือความยากแล้วเกิดมาแล้วคือจะได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากไม่น้อยท่านพูดไปดตามลำดับว่ากิดทั้งมัจจานชีวิตตังความเป็นอยู่แห่งชีวิตนั่นก็เป็นของยาก คอยแต่จะล่มละลายขาดศูนย์ไปจากร่างนี่ปิดชังสัตมศวรณนงังเกิดมาแล้วจะได้พบพระสัพว์ธรรมคำสั่งสอนอันแท้จริงคือความถูกต้องแม่นยำแห่งธรรมก็เป็นของยากส่วนมากมักจากคว้าน้ำเหลวไม่ค่อยเจอของจริงตั้งทั้งที่ว่าศาสนาศาสนา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 เราได้ยินได้ฟังอัดทำได้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าอนับว่าเป็นบุญญรากเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากตามหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าจิตฉังเป็นของยากการได้ยินได้ฟังธรรมนี่เป็นของยากแล้วิดโฉมนุษย์เปิดจิตฉังอะจิตโฉมุท ธ, ธานมุ ป, ปาโด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 ความเป็นมนุษย์เราเป็นลาภอันประเสริฐของเราเราได้เป็นมนุษย์แล้วและเครื่องยืนยันของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็คือเราได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อข่อรับใส จ, จริงๆและเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์พุโทโธโดยแท้ในชีวิตของเราที่เป็นมาในวันหนึ่งคือหนึ่ง ก็เป็นมาด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นของยากคำว่าชีวิตเป็นของหายากนี้ไม่ใช่ว่าลมหายใจเข้าผมหายใจออกมันยากอย่างเดียวชีวิตที่จะกลมกลืนกันกับด้วยศีลรรด้วยคุณงามความดีนี่เป็นชีวิตที่หาได้ยากยากที่คนจะมีชีวิตรัมพันเปลี่ยนเมืองกันอย่างนี้มีแต่หายใจเข้าหายใจออกเปล่าๆไม่ค่อยเกิดประโยชน์อันใด และนำชีวิตลมหายใจ น, นี้ไปทำความเสียหายแก่ตนก็มีมากมายแต่ก่อนเป็นความลืมเนื้อลมตัวว่าตนเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไม่เห็นความสำคัญในความเป็นมนุษย์และถือความเป็นมนุษย์นี้เป็นของสักศิลวิเศษซะโดยถ่ายเดียวแล้วทำความชั่วเสียหายแก่ตนโดยไม่รู้สึกตัวมีมากมาย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 ถึงคุณแห่งความเปิดเป็นมนุษย์ทั้งตนนั่นเป็นหลักใหญ่แล้วก็ได้บำเพ็ญกองการผู้สนในเวลาที่เราบำเพ็ญหรือทาบุญวันเกิดเช่นนั้นไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆความมุ่งหมายท่านหมายถึงอย่างนั้นที่ชาวพูดเราปฏิบัติกันเรื่อยๆมาพอถึงวันเกิดข้างใครก็ถือเป็นสาระสำคัญทนีถ้ถือเป็นวันสาคัญ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 เรื่องหนึ่งมีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนอกจากนั้นยังได้มีเวล่ำเวลาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาการบวชนี่ก็เป็นของยากตามหลักตามหลักพระธรรมมีท่านว่าเบอปัพะชังก็ลืมไปเสบ้างแล้วหลักคำบาลีแต่จำคำแปลได้การบวชนี่เป็น เป็นสิ่งที่บวชได้ยากหาโอกาสได้ยากสละหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรักเคยสงวนมาบวชนี่ยากเพราะการบวชเป็นการตัดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นความห่วงใยหวงแหนของตนของหัวใจทุกดวงนั่นแหละการที่สละออกมาได้จิงไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเป็นของหาได้ยากเวลาบวชแล้วจะ ประพฤติพรหมจรรย์ให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความเป็นที่มงคลในตัวเองก็เป็นการยากเพราะเป็นการฝืนอะธรรมคือค่าสิบของธรรมหรือมานของของธรรมคืออะไรก็คือกิเลสส่วนมากกิเลสมันคลองหัวใจเรา ไม่ว่าหัวใจคนหัวใจพระกิเลสคลองอยู่ทั้งนั้นเว้นกิตของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นกิเลสไม่อาจเอื้อมพระมันหมดตัวที่จะมาอาจเอื้อมทุกประเภทของกิเลสไม่มีตกค้างอยู่ในหัวใจของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเลยยังไม่มีอะไรมาอาจเอื้อมมาขีด ก, กันมาขีดขวางมาทำลาย เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาส่วนกิจปุถิชนทั้งหลายนั้นไม่พ้นที่จะต้องทำการกีดขวางของมันเราจะทำคุณงามความดีมันก็เห็นว่าเป็นการลำบากกระเสียทำยากความลำบากทั้งอดทั้งหิวอดหลับอดนอนอดผ่อนอาหารหรืออดอาหารแล้วลาบากลาบนในการประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องยิเลศมันหาเลศ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 แล้วเราถึงมาบวชได้ถ้าเราตัดความห่วงความความใจฝืนความห่วงความใจความรักความห้องแหนสมบัติงเงินทองเข้าของสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ได้เราก็มาบวชไม่ได้มีก็เราก็ได้สละมาแล้วก็ชื่อว่าชนะมันถึงจะไม่โดยสิ้นเชิงก็ชนะได้เมื่อใดก็เป็นคุณค่าแห่งความชนะของเราด้วยกันทั้งนั้นนั่น นี่ก็เรียกเราชนะมันได้เราถึงได้มาบวชมาบวชความลำบากลำบนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กิเลสจะนาออกปวดอ้างได้ง่ายความลำบากลำบนความไม่ได้ทำไปไม่ได้ทาไปไม่ได้ไปได้มาได้พูดได้คิดได้ปฏิบัติตัวตามความสะดวกสบายใจที่เคยเป็นมานี่กิเลสมันก็จะ อ, ออกปวดออกอ้างเป็นความลำบาก แต่ทำไม่ก็มีเครื่องแก้แก้กันความลาบากลำบนในการประกอบความเพียรทุกด้านก็ไม่ใช่ทำพาให้ลำบากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ลาบากกิเลสขีดขวางกิเลสไม่อยากให้ทำต่างหาก มีการตอบกิเลสเพราะกิเลสมันมีอุบายวิธีการมากที่จะชุดลากและออกจากลู่จากทางเข้าสู่อานาจของมันทั้งเวลาในประกอบความเพียรและนอกจากการประกอบความเพียรมันมีอยู่ตลอดเวลาในหัวใจนี่เราจึงมีต้องมีอุบายอันแหลมคมไม่งั้นแก้ไม่ตกและยอมจํานวนต่อมันความเพียกรก็ล้มเหลว ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยที่ว่าการบวชและการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักพินัยก็ยากเยความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลําบากลําบนไปหมดเพราะที่ เ, เหลือเศษสรรตั้นเรื่องขึ้นมาให้ว่าเป็นของลําบากลําบนไม่ใช่อะไรพาให้ว่าอยู่ธรรมดาคนเรามีความทุกข์มากมายก่ายกอเมื่อไม่ หิดไม่ดีดดิ้นออกจากอำนาจของมันเข้าสู่อรต ธ, ธรรมด้วยการบำเพ็ญความดีต่างๆแล้วยากขนาดไหนมันก็ไม่ไม่ได้คิดว่ายากเพราะกิเลสทำให้ลืมตัวไปเรื่อยๆแต่พอแยกตัวออกมาเพื่อปฏิบัติอักธรรมทั้งหลายอันเป็นความดีแล้วมันยากทั้งนั้นเพราะกิเลสหยิ่งขวางนี่ละ่ะเรื่องความแหลมคมของกิเลสเป็นเช่นนี้ เราจะเห็นได้เวลาประกอบความเพียรจิตใจมีความผ่องใสขึ้นไปโดยลำดับลาดาทำมีอำนาจมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่กีดขวางสิ่งที่ว่าลำบากลำบนเหล่านี้จะค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปจนถึงกับไม่มีเหลือเลยนั่นเพราะกิเลสไม่มีเหลือความเกียดคราง น, นั่นแหละความหมอนแอนนั่นแหละ ความทอดแท้นั่นแหละคือกิเลสเมื่อธรรมะพ่านในจิตใจมีมากสิ่งเหล่า น, นี้จึงล่มเหลวไปหมดก็มีอะไรมาจีดขวางเพราะฉะนั้นการลำบากความลำบากจึงเกิดขึ้นจากความกีดขวางของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เกิดขึ้นจากความจีดขวางของธรรมแต่คนไม่ทราบยิงไปเมาเอาแต่ว่าการทําความดีนี่ทํายากทํายากอะไรก็ยากหมดขึ้นชื่อว่าความดี ไม่ได้คิดเห็นเลยว่ากิเลสนั้นตัวเป็นตัวมารของธรรมขึ้นชื่อว่าความดีอันใดก็ตามกิเลสต้องกีดต้องขวางจนได้ไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดให้ทานลักษาศีลภาวนามันกีดมันขวางทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความดีแต่เราไม่เห็นนั่นสินี่แหละถี่ว่ามันแหลมคมกว่าเราเราเมื่อสติปัญญาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมวิริยะคือความภาคความเพียร ขันติทาความอดความทนทนต่อการต่อสู้กับพี่เลศมันมาหนักขนาดไหนเราก็สู้หนักขนาดนั้นนั่นแหละทีนี่เล่าถึงจะเห็นกำลังของธรรมว่ามีอำนาจเหนือขี่เลศไะดยลำดับลำดาสิ่งที่มันเคยจีดหวงจีดขวางรวงใจก็ค่อยเบาไปเบาไปมีธรรมก็ก้าวออกสะดวกสบายรื่นไปเลยเรียกว่าคล่องตัว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนภาวนาคร่องทั้งหมดไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดซึ่งเคยเป็นซึ่งกิเลสเคยถือเป็นผลประโยชน์ของมันกลับกลายเป็นเรื่องธรรมสือประโยชน์จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียทั้งนั้นมเมื่อรำร ม, มีกําลังมีสติธรรมมวีวิริยะธรรมขึ้นมาโดยลําดับถึงสติธรรมปัญญาธรรมจนถึงคือ กับขั้นรอบตัวภายใน จ, ใจิตใจเมือ่อจิตใจรอบตัวแล้วอะไรก็มีแต่ทําทํางานทําหน้าที่ของตัวเองกิเลสไม่อาจเอือ้อมกิเลสไม่มีอํานาจนั่นแหละเราจรึงสนุกประกอบความภากเพียรความขี้เกียจที่ข้านทอดแท้เล้วหลจนกระทั่งถึงว่าความที่เคยตำหนิตนน่าอำนาจวาสนาน้อย ล้มไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสปั้นขึ้นมาหลอกลวงต่งหา<ฮ>การทํางานของธรรมก็คล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวนี่แหละภาคความเพียรที่ถึงขั้นที่แก่กล้าสามารถแล้วจึงเป็นความเพียรที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียวไม่เสียดายอะไรในโลกถ้าลงทําได้เกิดแล้วเพราะไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม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 จึงว่ารถรถแห่งธรรมชำเนะซึ่งรถทั้งปวงนีเป็นภาวจาของผู้ริเจ้าปรับสั่งสอนโลกมาตลอดทุกวั น, นรถแห่งธรรมจรึงไม่เคยติดจางเมื่อนำมาพึ้ปฏิบัติให้กรมกืนกับจิตใจแล้วใจกับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วใจจึงเป็นเรื่องของของความประเสริฐไปเสียสิ้นเพราะมีแต่ธรรมทั้งดวงอยู่ในใจ เราถึงแม้จะไม่ปฏิบัติถึงขนาดนั้นก็าตามึ้นถือว่าความดีมีมากมีน้อยเพียงไรก็เหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าเรานั่นแหละอันไม่มีอะไรเลยไปไหนก็ลำบากอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากเพราะไม่มีเครื่องสนองความต้องการมีเงินติดกระเป๋าแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเงินมากเงินน้อยยังพออุ่นุพอได้อาศัยดีกว่าที่ผู้ไม่มีเงินเป็นเป็นในไหน นี่แหละความมีบุญกับความไม่มีบุญต่างกันอย่างนี้คนไม่มีบุญดูก็จนไปก็จนเป็นก็จนตายก็จนยูก็ทุกไปก็ทุกเป็นก็ทุกตายก็ทุกพบใดพบใดมีแต่ความทุกข์เพราะอำนาจแห่งบาปที่เกิดจากการตนทําชั่วนั่นเผาผลาญถึงหาบเวลามีความสุขความสบาย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 มีอยู่ที่จิตจิตดวงนี้จึงไปเกิดตามสถานที่นีให้ให้ไปเกิดตามความแน่นอนของใจไม่ได้ต้องไปเกิดตามความแน่นอนของกรรมเท่านั้นกรรมมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราได้ทำความชั่วเอาไว้มากกรรมชั่วก็เป็นเจ้าของของใจิตใจนั้นพาใจไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนา ถ้าไม่พึงปรารถนาจะอยู่ในสถานที่ใดพบใดก็ตามย่อมเป็นความทุกข์ความลำบากทท่านั้นใจจริงไม่ปรารถนาเพราะเป็นทุกข์เป็นร้อนมีมากมีน้อยเพียงไรก็เผาพลานจิตนั่นแหละให้รับความลำบากลำบนถ้าจิตได้สร้างความดีเอาไว้เมื่อมีทุกข์มาก็เหมือนกับมียาแก้เมื่อเกิดโรคก็มียาแก้มีทุกข์ขึ้นมาก็มีบุญเข้าไปแก้ไข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 เป็นที่พึงหวังพึงหวังแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ตามพบชาติที่เราเกิดเป็นที่พึงหวังมีความสุขความเจริญแม้จะมาเป็นมนุษย์ก็ผิดจากมนุษย์สมบัติเงินทองข้าวของก็มีบริ ษ, ษฐฐัทบริวารก็มีสิ่งใดที่เกิดในอยู่ในเป็นสมบัติของเราสิ่งนั้นเป็นที่พึงหวังพึงหวังเพราะเราสร้างความพึงหวังเอาไว้นไม่เกิดขึ้นจากอะไรนะเกิดขึ้นจากเราเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นจากใจเป็นผู้ดํำริ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 ที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานอย่างนี้ยิงเป็นของถูกต้องแม่นยาว่ัฒนาของเรามีเต็มที่แล้วมีผู้บอกผู้สอนเรื่องถอดเรื่องถอนเรื่องแก้เรื่องไขเรื่องลบผีปิดตัวจากความชั่วช้าหลามกทั้งหลายเราไม่หลวมตัวเข้าไปหมดทั้งตัวเรายังรู้แม้เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกแง่ทุกมุมสิ่งที่เราปฏิบัติตามอวาตคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังมีอยู่มากนั่น เพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้เลยเราจะมีทางอะไรปฏิบัติตามนอกจากการเวลาใดพบใดชาติใดเฉพาะอย่างยิ่งชาติปัจยบันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายจะมีตั้งแต่การสร้างความชั่วอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงก็มีแต่ความอยากความอยากมันดึงใจของคนเราให้ไปทำํำดึงร่างกายของเราบาดเจากของเราให้พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อํานาจของกิเลสผลักดันให้ไปทางที่ชั่วเสมอลนี่ นีมีธรรมะสั่งสอนเอาไว้เราจรึงได้ทําทั้งดีถึงเราทํามากไม่ได้เราก็ทําความดีได้ขั้นนี้ก็เป็นความดีของเราวันนี้ก็ทําวันหน้าก็ทําทําอยู่โดยสม่มําเสมอความดีย่อมเกิดสม่มําเสมอเมื่อเกิดมากต่อมากก็เหมือนกับจํานวนเป็นเงิ น, เ ป, นเป็นล้านๆอ่ะมันไปจากหนึ่งจากสองนั่นแหละไม่ได้ไปจากล้านที่ไหนไปจากหนึ่งครับสองนี่แหละแล้วบวกกันไปเรื่อยจนมาตั้งถึงล้านของจะ มีมากมึงก็ต้องไปจากหนึ่งจากสองนี่เองนีความดีความคุณงามความดีทั้งหลายก็ไปจากของเล็กน้อยแ่ะเหมือนฝนตกเราเห็นไม้ฝนเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนไปเสียได้ยังไงเม็ดฝนที่ตกลงมามันเท่ามะพร้าวลูกมะพร้าวเมื่ อ, อไหร่มันก็เท่าเม็ดฝนเราอยังเราเห็นนั่นแหละแล้วทําไมมันทําให้ค้องฟ้ามหาสมุทรท่วมไปหมดด้วยน้ําฝนที่ตกลงมาทีละหยดละหยาดเท่านั้นได้ละ่ะก็เพราะรวมกันแล้วมันมาก ตกไม่อยู่ไม่ถอยมันมากนั่นเองาการสร้างบ้านกุศลพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าอย่างนั้นเหมือนกันสร้างสมทีเล็กะน้อยก็ย่อมเป็นกองใหญ่โตขึ้นมานะท่านเทียบเหมือนกับเม็ดฝนนี่เองตกที่ระยวดระหยาถเท่านั้นสามารถยังองค์อ่างกระถางตลอดถึงท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มไปได้ด้วยน้ําท่านว่นากองกา ร, รากุศลก็เหมือนกันเราสร้างไว้ทุกวันทุกเวลาไม่ประมาท โดยลำดับลำดาก็พ่อปูนขึ้นไปพ่อปูนขึ้นไปงอกงานขึ้นไปเจริญขึ้นไปเมื่อกองบุญกอางกุศลเจริญใจเราก็เจริญภพชาติของเราก็เจริญแล้วหดสั้นเข้ามาจะเคยเป็นเกิดสมมติว่าจะเกิดไปอีกกี่หมื่นชาติอย่างนี้ก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาชาตินั้นย่นเข้ามาเพื่อความสุดสิ้นแห่งความทุกข์ที่เกิดจากชาติความเกิดนั้น น, นี่แหละบุญกุศลหนุนเราไปโดยลำดับลำดา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 ในปัจจุบันสิ้นจากใจสิ้นจากกิเลสใจก็สิ้นจากทุกทางใจธาตุขันเป็นเพียงวิบากได้รับความทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะสื่อทราบถึงใจพอผ่านพ้นจากธาตุขันนี้ไปแล้วคือธาตุขันนี้แตกสลายลงไปเรียกว่าตายแล้วก็หมดปัญหาโดยสิ้เนเชิงไม่ต้องแบกพบแบกชาติที่ไหนยอีกต่อไปแล้วนั่นท่านเรียกว่าบรมสุคือจิตที่เป็นธรรม ทั้งดวงเป็นธรรมนุ่นล้ว น, วนเป็นบรมมาสุขคาว่าปัญหาแห่งการเกิดกับปัญหาแห่งความทุกข์ที่มาด้วยกันนั้นก็หมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่พบชาติได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจและธาตุขันอันนี้ได้สลัสลดทิ้งไปแล้วหมดเท่านั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ท่านสอนธรรมสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำสอนด้วยความละเอียดละออวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมที่มาสอนโลกนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะอาจเอือมจะสามารถนำมาแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยว่าการสอนธรรมนี้สอนได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีในสามแดนโล ก, กัานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้ง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 ที่ผุดขึ้นในพระทัยของพระองค์เป็นเรื่องของพระองค์ทรงขนขวายเองไม่ไปสอบแข่งหาจากครูจากอาจารย์องค์ใดมาเป็นความรู้ความฉลาดสามารถปราบีิเลสในพระทัยให้สิ้นซากลงไปนอกจากความรู้ที่เป็นสยามผูกคือที่เป็นเองขึ้นในพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเท่านั้นความรู้อันนี้จิงไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้และไม่มีใครจะนามาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะเป็นความรู้ที่อุบัติขึ้นโดยเฉพาะ ในองค์แห่งภาวนาของพระองค์เท่านั้นนั่นนี่แหละที่ว่าทำแท้เป็นเช่นนี้สติแท้ปัญญาแท้ที่จะสังหารกิเลสเป็นขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่ได้เป็นขึ้นจากสำหรับตำลา่าไม่ได้เป็นขึ้นจากความจดความจําได้มากได้น้อยเพียงไรแต่เป็นขึ้นจากพิจภาวนากลายเป็นภาวนามะยะปัญญาขึ้นมาปัญญาสําำปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาทัานหลัภาวนามะยะปัญญานี่แหละ ธรรมชาติอันนี้แหละเกิดในพธธ ร, รุทธเจ้ า, าทุกๆพระองค์แต่เป็นเป็นเรื่องที่รวดเร็วเ <_ c oughs> ช่นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจับจุดแห่งทางที่จะหลุดพน้นหรือแห่งทางที่จะถึงความเป็นพุธธทธเจ้ า, าได้แล้วก็รวดเร็ว <_ c oughs> เพียงพระองค์เพียงพระร า, ราตรีเดียวเท่านั้นคือวันคืนในวันเพ็ญเมืองหกตอนเช้าก็เสวยพระกราหารของพระนางปุชาดาสี่สเก้าก้อน พอตกเย็นขึ้นมาก็ตั้งสัต์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานในพระไัยขององค์ว่าจะนั่งภาวนาที่นี้จนก็สั่งได้ตรัสรู้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็มอบร่างพระสรีระทุกส่วนนี้ลงไว้กับที่นั่นเลยจะไม่ยอมลุกเป็นอันขาดนั่นนี่พระองค์ทรงจับจุดอะไรได้ในขนาด น, นั้น พระ อ, องค์จึงไม่ตายเปล่าๆก็จับจุดคืออนาปานสติได้พอจับจุดตามที่พระ อ, องค์ทรงหวนระลึกถึงคราวที่ไปแรกนาขวัญกับพระราชวิดานั้นมาปฏิบัติคือการกำหนดอนาปานสติก็ได้เหตุได้ผลพระจิต ก, ก็สงบลงได้โดยลำดับลำดาบจนกลายเป็นสมรรถะขึ้นอย่างร ว, วดเร็ว สมรรกวิปัตนาของท่านคิดผู้ชิดเป็นชิดปลาปัญญานั้นย่อมรวดเร็วพอสมรรถาปรากฏขึ้นมา ว, วีแว์แห่งวิปัตนาก็เริ่มฉายตัวออกมาในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงทรงทราบในปฐมยามนั่นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติสานุสติยาน คือทรงรุกชาติย้อนหลังไปได้ด้วยพระปัญญาญาณของพระองค์ซึ่งเกิดจากความสงบเป็นพื้นฐานแล้วพระปัญญาญาณยังทราบไปในขนาดนั้นที่เรียกว่าปัญญาเกิดในระยะเดียวกันไปคือว่าปุเพนิวานสานุติยานได้ทรงอุบัติหรือได้เกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ชาตินับย้อนหลังไม่มีประมาณมากถึงขนาดนั้น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 นานขนาดไหนทรงทราบโดยตลอดตัวถึงด้วยพระยานที่ที่ว่าที่ที่กล่าวนี่ทือว่าภูเพนิวาสานุสิยานนี่ทรงทราบไปตลอดตัวถึงทำไมจะไม่เห็นโทษเมื่อเห็นเจ้าของได้ตกนรกหกไหมลึกได้เสวยความทุกข์ทรมานในชาติลำดับลำดากันไปโดยลำดับลำดามีแต่เรื่องของเรามีแต่พบของเราชาติของเรามีแต่ตัวของเราทั้งนั้นที่ไปเสวยทุกข์อยู่ตน ที่เป็นมาด้วยบุเพนิวาสารมิจิยา น, นีเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วทําไมจะไม่สรดสะังเมตใจมนุษย์แท้ๆนี่ยิ่งเป็นใจของศาสดาองค์เอกก็ยิ่งจะกระเทือนโลกธาตุไปเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของพระองค์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนั้นน่มีราพูดเพียงย่อๆถึงเรื่องว่าความรวดเร็วของสมถะเลศปัจนาขององค์ศาสดานี่ละที่ว่าภาวนาบัปัญญาเริ่มไปแล้ว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 มันมีเต็มอยู่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้คือการมาพบก็เต็มไปด้วยวิญญาณและจัตผู้อยู่ในห้วงแห่งกลามนี้รูปภพก็มีวิญญาณของสัตที่อยู่ในภพรูปภพนั้นอรูปภพก็มีแต่วิญญาณของสัตมีภพของสัตเต็มไปอยู่ในภพนั้นๆทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้ววิญญาณดวงใด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 ชุลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าการท่องเที่ยวแห่งพบชาติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ทําให้พระองค์เกิดความชืดสัมเมตมากมายในกัตถมายาด้วยจิตตุปาตยานความอย่างทราบในความเกิดความเคลื่อนของใจที่ออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นและไปสูบไม่ใช่ออกจากพบนี้แล้วไปสู่พบนั้นจะเป็นพบเก่าเป็นพบใหม่เรื่อยไปสูงสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่รอนรหาประมาณไม่ได้เพราะจิตตวิทยาของ สามแดนโลกธาตุนี่มีมากน้อยเพียงไรฟังซิพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงในปจิมยาม น, นั้นโอในในมัจจิม า, มามยาม น, นั้นนี่เรียกว่าเป็นบุเพนิวาสานุติยานยานอย่างทราบพระปัญญายานอย่างทราบความเป็นของสัตว์ทั้งหลายที่หาความสุขล้นล้วนไม่ได้มีแต่ความทุกข์ สุขเยอะปนกันไปและมีแต่ความทุกข์มากสุกน้อยและมีแต่ความทุกข์ล้นล้วนเต็มไปหมดในสัตว์แต่ละตัวละดววิญญาณแต่ละดวงละดวงนี่เพราะอะไรเป็นสาเหตุพระองค์ก็ทรงทราบพิจารณาถึงสาเหตุอะไรพาให้สัตว์ทั้งหลายได้มาเกิดเป็นเช่นนี้ไม่เห็นมีวิญญาณดวงใดเป็นเอกสิทธิ์เป็นอิสระเสรีอยู่ในลําพังของตอนเองมีแต่หมุนไปถ้าภาษาของ เราที่พูดให้ฟังกันอย่างถนัดแท้จรินก็มีแต่วิญญาณดวงดิน้นล้มดิน้นตายกระเสือกกระสนกระวลกระวายหาที่เกาะที่ยึดกันทั้งนั้นะไม่มีที่เกาะที่ยึดเพราะมีแต่ความรุ่มร้อนเนื่องจากตนประมาทเนี่ยเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่อยากจะสร้างแต่การสร้างบาปนั้นมีความชอบพอใจไม่มีความอิ่มพอใจึงได้เสเวระตั้งแต่ความทุกข์ความทรมารของสัตว์นี่พระองค์ก็ทรงทราบไปหมดแะ่ฟังสิไอ เรื่องพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงเรียนจากผู้ใดแล้วนั่นในขณะนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ทรงดําเนินความรู้ความสามารถโดยลําพังพระองค์เองพอปัจฉิมยามแล้วก็นําเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะประมวลเข้ามาถึงเรื่องพบเรื่องชาติของพระองค์มันเป็นยังไงเกิดมาจากอะไร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 ท่านมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนมดแดงใตขอบด้งทั้งที่มดแดงใตขอบดงตายขอบด้งมันจะยังไงที่สุดของขอบด้งมีอยู่ที่ตรงไหนมันกลมไปหมดอันนี้ก็เหมือนการเกิดภพนี้ผมนั้นหมุนไปเยียนมาของเก่าของใหม่แม้จะขึ้นมาเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกับมดแดงใตขอบด้งตายไปแล้ววกเยียนมาถึงของเก่าก็มันรู้เป็นของเก่าตายไปตายตา ย, ตายไปตายมาอยู่เช่นนั้น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 ตกระ ล, ลกอกบกไหม้ขึ้นสวรรค์ท่านผมมากี่ครั้งกี่หนก็คือเราแต่ละคนละคนนี่แหละแต่ไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองได้เพราะความมืดบอดของเรานั่นแหละทําให้ไม่รู้เรื่องยิงทําให้ปฏิเสธได้ว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ศูนปฏิเสธตัวเองว่ามันศูนแต่ก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ไปเกิดไปพบไปในเสวยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอยู่ไม่หยุดเพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ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 ตาอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตายอยู่ใน พ, พบน้อยพบใหญ่เต็มไปในสันในสามแดนโลกธาตุนี้ประมวลเข้ามาให้เกิดความสุขสังเวชแล้วย้อนหาตัเหตุแห่งการเกิดตายมันมาจากอะไรเนี่ยก็ทรงพิจารณาปัจจัยาการณ์นีนั่นในคืนวันนั้นแหละเนี่ยสมาธิปัจฉนาไปด้วยกันความสงบไม่ต้องคิดยุ่งกับอะไรผิดไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องทองสารจึงเรียกว่าความสงบมีแต่ปัญญาเดินด้วยความ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 เข้ามาถึงอวิชชาปัจญญานี่แหละมันสาเหตุมันเป็นมาอะไรย้อนกลับมาสู่พระจิตของพระองค์เองนั่นแหละอืมพอย้อนพมาถึงจุดนี้ก็พังทลายอาวิชชาไปาอวิชชาปัญญาสร้างคาลาอาวิชชานั่นแหลมันทําก่อให้ก่อพบก่อชาติพบน้อยพบใหญ่มันมันเกิดขึ้นที่นี่นั่นเอาละที่นี่ตัวนี้เองก็ทําลายตัวนี้ได้ด้วยพระปัญญาความสามารถนั่นพอวิชชาพังลงไปเท่านั้น อะไรก็ดับหมดพบชาติที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าไม่มีตัดสะพานขาดกันหมดมนีล่ล่ะเรียกว่ า, น, านิปัญญาารนีล่ล่ะสยามภูความรู้ของผู้ทีเจ้าไม่ต้องไปสอนไปไ ป, ไปเรียนมาจากผู้ใดเรียนมาจากผู้ใดก็ไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องดีงามแท้ๆเหมาะสมกับภูมิแห่งศัตสดาทุกทุกองแล้วก็คือ สยามภูต้องทรงค้นเองพิจารณาเองรู้เองเห็นเองดังที่เป็นมานี้นี่แล้วก็ตรัสรู้ทำพอตรัสรู้ทำแล้วพระจิตของพระองค์เป็นยังไงญาณังอุดรปาดิปันงานอุดรปาดิวิชชาวอุดรปาเิอรโลโกอุดรปาดินานตาังในพระธรรมจักรกับประพุทธาศาสที่พระองค์ทรงแสดงให้พระวจวัีฟัง จะเรียกว่าพระองค์ท้าทายก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากความจริงรู้จริงเห็นจริงประกาศความจริงให้พระเนจร์ทีทั้งหลายฟังว่าทําที่กล่าวนี้นะ่ะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นบัดนี้เราได้รู้แล้ ว, ไ ด, ลวได้เห็นแล้วเห็นแล้วท่านอกว่าอันอะไรท่านที่ว่าผู้เพยผู้เพอะไรท่รานว่านั่นละ่ะท่านคือแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อน ในเวลามาพูดอาอย่างนี้เจ้าหยิบออกมาพูดมันก็พูดไม่ทันโขงคลดขิ้นแต่เวลาสวัสดตอนนั้นก็สวัสดได้เมือ่อทรงพิจารณาอนาปานาสติจนเข้าถึงขั้นนี้ปัจนาญานอย่าง ท, ง ท, ทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วก็ได้ตรัสสลู่ธรรมในปัจฉิมยามจนสว่างพื้นวันนั้นนี่ แล้วตัดปัญหาพบชาติโดยประการทั้งปวงและในขณะเดียวกันนั้นในธรรมจักรท่านก็กล่าวไว้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายนั้นทราบก่อนเพื่อนทราบก่อนใครเลยเทวดาชั้นภูมิเทวดาทราบพระพุทธเจ้าตรัสรู้กระเทือนโลกแล้วก็บอกขึ้นไปหาพวกอากาสาเทวดาเทวดานี้ก็อบอกขึ้นไปตามชาั้นจนกระทั่งถึงจาตุมเรื่อยขึ้นไปถึงสวรรค์หกชั้นถึงพรหมโลกเราส่ ว, สวนในพระธรรมจักรว่าไง เป็นชั้นๆบางที่เคยพูดให้ฟังเสมอจนกระทั่งถึงพมาโลก16ชั้นรู้ไปดังรวดเร็วทีเดียวคือบอกกันต่อๆประกาศกันต่อๆไปเรื่อยๆ เ, เ, เรื่อยไปว่าผู้ที่เจ้าได้จัดสรู้แล้วทำได้เกิดแล้วในโลกในโลกในโลกเรื่อยหรือผู้ที่เจ้าได้เกิดอุหัตแล้วในโลกในโลกนะจนกระทั่งถึงพมาโลกหมดในขณะเดียวกันเท่านั้นนี่ละ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 คนนั้นมาถามถึงศาสนานั้นศา ส, สนานี้เป็นยังไงตองไงพระองค์บอกว่าอย่าถามเราไปมากมายคือเราจะพูดให้ฟังโดยย่อว่าศาสนาใดที่มีมากกวมีอริยสัจสี่ศาสนานั้นแหเป็นศาสนานที่ส่งไว้ขึ้นมรรคผลิพานเป็นศาสนานที่ยังจัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ขอให้เธอจงกําหนดจดจําตามที่คําเราสอนนี้เถิดก็สอนย่อๆพอเสร็จจากนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระนุนบวชให้เธอ นี่เสีะแล้วก็ให้ได้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้พร้อมกับการพันธุภาณฑ์ของเราหือพูดง่ายๆก็คือว่าความกับความตายของเราพระโอรณ์ก็ได้ให้อุษสงฆ์ให้เสร็จแล้วก็ไปเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิภาวนาไม่นานในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุธรรมนี่เป็ยังไงธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละธรรมของจริงไม่มีการไม่มีฐานที่เวลาเวลาไม่มีอะไรเข้ามาทําลายได้ธรรมของจริงต้องจริง ทุกต้องเป็นของจริงบรรจังคําสมุทัยเมื่อมันมีอยู่มันต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชเต็มอํานาจของมันบรรจังคัมมักก็เหมือนกันเมื่อมีอํานาจมากน้อยเพียงไรจะสังหารกิเลสโดยลําดับลำดาไม่มีถอยจนกระทั่งถึงมกักมีโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วสังหารจิเลตโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยทันใจนิโรธะแปล ว, ว่าความดับทุก ก, ก, ก็ดับมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายดับเพึบหมดเลยไม่มีเหลือนั่น พระพุทธศาสนาเจือปนศาสนาของศาสนาขององค์ศัสย์ดาผู้วิเศษทุกๆพระองค์เป็นศาสนาผู้ร่วมผู้สงสารเป็นศาสนาของผู้ผู้สร้างบารมีโดยสมบูรณ์เต็มที่ไม่สงสัยการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ไม่ควรจะไปสงสัยนะว่ า, าวพระพุทธเจ้าปริิภาณ น, นานแล้วนานไปที่ไหนอริยสัจอยู่ที่ไหนเวลานี้พระองค์มอบโลกล ง, งที่ตรงไหนมรดกนั้นมอบที่ตรงไหนคําว่า มรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่อริยสัจ ท, ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนีละสถานที่ผิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาขึ้นมาที่นี่พระองค์สอนไว้ที่นี่เราอย่าไปคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าว่ามริพผลนานหรือไม่นานนั่นเป็นการเป็นสถานที่เึเงเวลามาซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมอันไม่ใช่ เ, เวลามาซึ่งมันมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ให้กําหนดลงไปที่นี่เอาทำให้ดีความเพียรอย่าทอถอย ความขี้เกียจขี้ค้านของออย่าลืมว่าเป็นเรื่องของกิเดชทั้งมวลความขยันหมั่นเพียรความมุตสาหพยายามหนักเบาเบ า, เบาก็สู้นั่นแหละคือเรื่องของธรรมให้พยายามประพฤติปฏิบัติและการอยู่ร่วมกันให้เห็น อ, อกเห็นใจกันให้เห็นใจท่านใจเราให้อภัยกันอย่าได้เห็นแต่เราเป็นคนสูงคนต่ำว่าเป็นคนมีฐานะสูงฐานะต่ำหรือว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรต่างๆนานาชาติชั้นบรรณานนะยาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงศาสนาซึ่งเป็น ทำที่ให้ความสงขภาพแก่ทุกดวงใจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทําลายไม่เหยียบย่ําไม่ดูถูกเหยียดหยามเป็นสิ่งเป็นที่เรียกว่าสัตว์เทพัตว์ตาแลสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับเจ็บแต่ด้วยกันหมดทั้งสิน้นนี่คือความให้อภัยของศาสตราองค์เอกเราเป็นลูกสถาค ต, ต้องให้อภัยกันได้เสมอไปอการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยึดติดีย่างตร น, นี้เป็นวัด ปฏิบัติจริงๆผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อปฏิบัติจริงๆตั้งหน้าต่งางๆกรอบความภาคเพียรจิยาบททั้งสียาได้ให้สติห่างจากตัวนั่นแหะคือความเพียรอย่างน้อยให้รู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ได้ีิภาควิจารณ์กับเรื่องใดก็ก็เป็นเครื่องชงตัวได้แล้วสตินี่แหละจะเป็นกําลังสําคัญบุกเ บ, บิกจิตใจ ไม่เพิกถ อ, อนสิ่งที่เป็นค่าสุดได้โดยน่ะเพราะเรื่องของสติเป็นสำคัญปัญญาตามมาทีหลังสติเป็นของฝึกได้นะทุกสิ่งทุกอย่างฝึกได้ปัญญาฝึกได้สติฝึกได้ความเพียรฝึกได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกเพราะองค์เพราะพระ อ, องค์ฝึกมาแล้วนี่ไม่ใช่มาอยู่ก็มาสอนพวกเราตรงทำมาแล้วทุกอย่างจริง พูดเหมือนกับว่าพูดแบบเรียแกบบว่าไม่สะทกสะทานเพราะเหมือนกับว่านี่น่ะนี่น่ะแบกมาอย่างเนี้ยเต็มอยู่ในพระหัตถ์ทำของจริงคืออยู่ในพระไทยเนี่ยถอดออกมาจากความมีความเป็นความจริงที่รู้แล้วเห็นแล้วอยู่ในนี้ออกมานี่น่ะนี่หน ะ, ะของประจย์เห็นไหมนี่น่ะพวกท่านจะหาอะไรที่ไหนท่านแต่ว่างั้นพูณยงงั้นนะเหมือนอย่างนั้นเป็นการท้าทายอันนี้หนะนี่ห่ะอะไรจะวิเศษจริงกว่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอืม แต่รากโษตก่อนไม่มีเสียเดี๋ยวนี้เป็นยังไงท่านจะว่ า, าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกับ ก, การรับบิณธบาตก็ ท, ที่เคยปฏิบัติมาทุกปีผู้ที่เคยอยู่แล้วรับนอกวัด น, น, นี่ก็เพื่อความมักน้อยนั่นเอง มันก็กลับโคลนข้ามศรัทธาจะโยนเขากับเป็นอีกอย่างหนึ่งมันคนละอย่างก็ยิ่งมามากบาทไม่รู้ว่าถ่ายกี่นแต่เราให้รู้จักประมาณของเราเองจะชันมากฉันน้อยมันเหมาะกับความเพียรเราขนาดไหนเราก็ให้สังเกตการกรบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเพียร น, นะสังเกตเพื่อความเพียรความเพียรเป็นหลักใหญ่มากทีเดีให้ได้ทรงมรรคทรงผล สมณะเราทรงมรรคทรงผลไม่ได้เนี่ยแหมพูดอะไรไม่ถูกผมกเลยเพราะเป็นผู้พร้อมทแท้ๆที่จะทรงมรรคทรงผลเพราะเพศนี้เป็นเพศทิ่สำคัญแท้ผ้าเหลืองนี่พระพุทธเจ้าทุกๆ อ, อ, องค์เป็นผู้สิญจเลสมาครองมาแล้วพระหันทุกๆองค์เป็นผู้สิญจเลสแล้วทั้งนั้นครองมาแล้วผ้าเหลืองนี้ ทำไมเราคลองมาจริงจะมีแต่หอ่อกิเลสแต่อย่างเดียวไม่มีหอ่ออัดห่อทําบ้างเลยนีอย่างเนี้ยเราไม่อารทิเดตบ้างเหรอถ้าเหลืองนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านคลองด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เราคลองด้วยความมีกิเลสไม่มีเวลาที่จะถอดถอนกิเลสได้เลยนี่มันเป็นยังไงเอาวเตะกนสอนเจ้าของบ้างเอาให้หนักสิสอนเจ้าของกิเลสมันหนักมากมายนี่เราจะสอนเบาๆ เตืนเจ้าของเบาๆทำความเพียรเบาๆไม่ทันกับกิเลสต้องเอาให้หนักกิเลสมันหนักทําไม่หนักไม่ได้แต่ทําไม่หนักถ้าถ้ากิเลสเออทําไม่หนักแล้วก็ไม่มีทางออกให้กิเลสเหยียบย่าตลอดเวลาทําเด็ดกิเลสกิเลสเด็ดทําต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ไม่ทันกันอ๋ออันนี้ต้องผู้ปฏิบัติฆ่ากิเลสเท่านั้นจะรู้เองผู้อื่นไม่รู้ผู้ปฏิบัติในวงปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะรู้เรื่องระหว่างทํากับกิเลส ฆ่ากันฆ่ายังไงกิเลสต่อยมาทํำล้มตายไปอย่างนั้นหรงายไปอย่างนั้นเหรือกิเลสต่อยมาทําก็สวนหมัดสิยังนั้นถึงเรียกว่าเด็ดเด็ดเพื่อทำเป็นอะไรไปไม่เสียหายเด็ดเท่าไรยิ่งเด่นยิ่งดียิ่งเลือดยิ่งประเสริฐกิเลสที่เด็ดเท่าไรยิ่งเร็วยิ่งเหลวนั่นมันต่างกันอย่างนี้ต้องเด็ดต่อเด็ดมันถึงแก้กันได้กิเลสมันเด็ดขนาดไหนทําไม่เด็ดไม่ได้ต้องต้องเอาให้เด็ดถึงค่าวเด็ดต้องเด็ด ที่นี่เลิกกันนะพอดึงันกนะ็มมีอะไรอีกล้เอาละเลิกกัน